เจดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หสสำรวจความพร้อมอย่างที่เห็นกันว่าทุกต้นเดือนฉันจะสำรวจความก้าวหน้าของตัวเองอย่างสม่าเสมอแต่สำหรับต้นเดือนนี้เหมือนฉันอยากขอบคุณตัวเองเมื่อห้าเดือนก่อนมากกว่าอย่างอื่นการตัดสินใจเริ่มเอาจิงเอาจังกับการเจริญสติปัะฐานเมื่อเกือบครึ่งปีที่แล้ว คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตและช่วงเวลาระหว่างนี้ก็เป็นการดำเนินชีวิตที่คุ้มที่สุดในชาติปัจจุบันหรืออาจจะเป็นช่วงที่ทำให้ปัจจุบันเป็นชาติอันประเสริฐสุดเหนือทุกชาติทุกภพที่ผ่านมาชั่วอนันตการของฉันตามแนวทางสติปทานสี่นั้นยิ่งทามากยิ่งก้าวหน้ายิ่งเป็นสุขยิ่งพบความว่างมากขึ้นทุกที ฉันจึงมีกำลังใจไถ่าถามตัวเองแล้วแล้วเล่าๆ ว, ว่าสิ่งใดยังขาดสิ่งใดยังไม่ได้ทำสิ่งใดยังถูกมองข้ามไปฉันคนหนึ่งละที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมะปฏิบัติไว้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหากศึกษาแบบท่องจำรวดเดียวอาจเห็นว่าข้อธรรมะเยอะแยะอย่างนี้ใครจะไปทาไหว แต่ถ้าจำไว้พอรู้เป็นแนวแล้วค่อยๆขยับเลื่อนขึ้นมาตามลำดับขั้นก็จะพบว่าสติปัฏฐานสี่นั้นง่ายสำหรับผู้มีความเพียรสม่ำเสมอเพียงใดและเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้ฉันยิ่งเห็นพระปัญญาอันเกินสามัญมนุษย์ของพระพุทธเจ้าชัดเจนขึ้นพระองค์ท่านยังรู้ว่าจะทาให้นักภาวนามือใหม่ที่เพิ่งตั้งไข่ก้าวออกจากจุดเริ่มต้นได้อย่างไร กับทั้งทราบว่าจะทำให้นักภาวนาที่ก้าวหน้าในแต่ละระดับพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นอีกได้อย่างไรนอกจากนั้นยังมีข้อธรรมะตีกรอบไว้รัดกลุ่มเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ผู้ศึกษาหลงทางไปไหนแต่ก่อนฉันมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือพระศาสดาท่านตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้บรรลุมรรคผลอย่างถูกต้อง แล้วฉะไหนจึงมีข้อธรรมะชื่อต่างกันอื่นๆเหมือนซ้ำรอยสติปฐานสี่ได้ยกตัวอย่างเช่นท่านตรัสไว้ในมหาปริณิพานสูตรว่าธรรมวินัยอันมีมัคมีองแปดนี้หากภิกษุประพฤติโดยชอบแล้วโลกย่อมไม่ว่างจากพระอระหันต์อย่างนี้แปลว่ามัคมีองแปดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการยกระดับพวกเราจากความเป็นปุถุชน ก้าวล่วงขึ้นสู่ความเป็นอริยชนหรืออย่างไรมาถึงปัจจุบันเมื่อฉันได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีเพียงพอบวกกับความประจักษ์สภาวะแห่งจิตตนเองฉันก็ทราบชัดว่ามักคีองค์ดก็คือสติปัฏฐานสและสติปัฏฐานสก็คือมักคีองค์ดนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดเน้นที่การทาความเข้าใจก่อน หรือว่าเน้นที่วิธีลงมือปฏิบัติก่อนถ้าเน้นความเข้าใจก่อนก็เรียกมัสมีองค์8ถ้าเน้นวิธีลงมือปฏิบัติก่อนก็เรียกสติปัฏฐานสี่ถึงจุดหนึ่งเราอาจสำรวจว่าจิตเรามีองค์ทั้ง8ของมัคครบหรือยังถ้าหากว่าครบหรือเฉียดครบก็แปลว่าจิตมีคุณสมบัติพร้อมพอจะบรรลุธรรม คือเราไม่มองเฉพาะการเจริญสติตรงทางมรรคผลด้วยเกณฑ์เช่นพชชงเจ็ดแต่จะมองครอบคลุมแบบเบ็ดเสร็จเหมารวมไปทั่วว่ามีช่องโหว่ใด ย, ยังไม่อุดช่องโหว่เหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพราะการคิดการพูดการกระทำการต่างๆในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่นักภาวนามักคาดไม่ถึงนึกว่าถ้าทำสมาธิและเจริญสติก้าวหน้าแล้วก็ไม่ต้องคานึงถึงเรื่องอื่น นับถอยหลังเข้าสู่วินาทีจุดชนวนมรรคผลได้เลยเมื่อมองว่าองค์ทั้ง8ของมรรคก็คือส่วนประกอบที่ช่วยกันร่วมมือสร้างสภาวะจิตพร้อมบรรลุธรรมเราก็อาจมองว่าถ้าจิตใครพร้อมประพฤติเป็นอัตโนมัติตามแบบฉบับมรรคมีองค์แปดทั้งในแง่ของมุมมองตนเองและโลกทั้งในแง่ของปฏิกิริยาโต้อตอบกับโลกผ่านการพูดจาและลงมือลงไม้ รวมทั้งในแง่ของคุณภาพจิตและวิธีกำหนดสติก็อาจเปรียบจิตของบุคคลผู้นั้นเป็นลูกสรที่แล่นจากแล่งอย่างถูกทิศแล้วแหวกอากาศโดยปราศจากเครื่องขวางแล้วมีกำลังเพียงพอจะพุ่งไปประทะเป้าหมายแล้วเป้าหมายในที่นี้ก็คือกิเลสเครื่องผูกใจซึ่งเราต้องการตัดให้ขาดนั่นเอง ฉันจำไว้ง่ายๆว่าจิตที่มีความพร้อมประพฤติเป็นอัตโนมัติ8ประการนั่นเองคือภาวะทางธรรมชาติอันเหมาะสมที่จะเกิดปรากฏการบรรลุธรรมไม่มีใครอวยพรไม่มีใครทำนายทายทักและไม่มีใครมอบอภิสิทธิพิเศษให้ผู้ใดประสบความสำเร็จถึงมักถึงผลได้โดยปราศจากเหตุอันเหมาะสมดังกล่าว